3าสี่เดือนก่อนนะมีข่าวที่อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับคนส่วนใหญ่นะแต่เป็นข่าวใหญ่ในวงการอาหารแล้วก็วงการเกษตรนั่นคือร้านอาหารชื่อดังนะในซานฟรานซิสโกแล้วก็ในวอชิงตันดีซีเนี่ยชื่อดังที่มาถึงร้านอาหารมิชลินนะพัตคามิชลินนี่ มีชื่อมากทั่วโลกอาหารมีคุณภาพราคาสูงเขามีการทำเมนูใหม่คืออาหารของเขาเนี่ยปรุงด้วยเนื้อแต่เป็นเนื้อชนิดใหม่นะใหม่ยังไงเป็นเนื้อที่เพาะเลี้ยงจากเซลล์ในห้อง l a บปกติเนื้อที่เรากินเนี่ยนะมันก็ต้องผ่านการฆ่าจะเป็น หมูวัวปลากุ้งนะก็ต้องเลี้ยงให้เป็นตัวซะก่อนพอโตได้ที่แล้วก็ฆ่าแล้วจึงเอาเนื้อของเขาเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารแต่ร้านมิชลินที่ว่าเนี่ยนะเขาเอาเนื้อที่ไม่ต้องผ่านการฆ่าไม่ต้องมีการเลี้ยงเป็นตัว จะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ก็เพราะเลี้ยงนะจากห้องแลบโดยการเอาเซลนะจากไก่หมูนะวัวที่เป็นตัวเนี่ยอาจจะเป็นเซลล์จากกล้ามเนื้อที่ขาที่อกหรือว่า ส่วนในส่วนของร่างกายเนี่ยที่คนนิยมกินน่แค่เอาเซลล์มาแล้วก็มาเพาะเลี้ยงนะใช้วิธีโคลนนิง่จงจนทั้งมันมีปริมาณมากพอแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารรสชาตินี้ก็ไม่ต่างจากเนื้อ ที่ผ่านการฆ่าแต่ว่ามันเร็วกว่านะเพราะไม่ต้องเลี้ยงเป็นตัวที่ผ่านมาเนี่ยราคามันแพงมากนะเพราะกว๋วยจ ะ, จะได้เนื้อสักกิโลนึงนี่โอ้ยมันต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้เงินทุนมากแต่ตอนนี้เนี่ยต้นทุนมันก็เริ่มลดลงแล้เพราะเทคโนโลยีก็พัฒนามากขึ้น ใช้ทุนน้อยลงใช้ทรัพยกากรน้อยลงแล้วก็สามารถจะเอามาปรุงเป็นอาหารในพัตาคารได้แต่ราคายังแพงอยู่ก็เลยต้องเลือกนะเสิร์ฟลูกค้าเฉพาะร้านที่หรูหน่อยนะหรือว่าราคาแพงหน่อย วันนี้มันเป็นข่าวใหญ่นะเพราะต่อไปเนี่ยเนื้อชนิดนี้เนี่ยก็คงจะแพร่หลายมากขึ้นเพราะว่าต้นทุนมันถูกลงอย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยเมื่อสามสิบปีก่อนนี่เครื่องหนึ่งราคาเป็นแสนแล้วก็ใหญ่นะแต่เดี๋ยวนี้เครื่องหนึ่งเนี่ยถ้าใช้โทรศัพท์เพียงเดียวเนี่ย สองสามร้อยบาทก็ซื้อได้แล้วแถมมีลูกเล่นเยอะนะมีนาฬิกาปุกเผอๆถ่ายรูปได้ด้วยแล้วแถมเล็กนขนาดเท่ากล่องไมคขีก็ยังมีเนี่ยภายในเวลา30ปีนี่มันโทรศัพท์มือถือนี่มันกลายเป็นของจำเป็นในชีวิตประจำวันแม้ซะราคาก็น้อยลงถูกมาก ก็เช่นเดียวกันนั่เนื้อที่เพาะเลี้ยงจากเซลล์ในห้องแลบเนี่ยตอนนี้ยังแพงอยู่เสิร์ฟได้เฉพาะร้านอาหารที่อ่หรูนะราคาแพงนะแต่ต่อไปนี่เหมือนคงจะสามารถจะเผยแพร่ตามตลาดแม้กระทั่งในชนบทบ้านเราก็เป็นไปได้ไอที่เขา คิดค้นเรื่องเนื้อแบบนี้ขึ้นมาเพราะอะไรนะเหตผลก็เพราะว่าไอการเลี้ยงสัตว์เพื่อเอามาเป็นอาหารเนี่ยโดยเพราะเนื้อวัวเนี่ยหรือหมูเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากโดยเพราะเนื้อวัวนอกจากต้องทำลายป่า อย่างในอเมริกาใต้ต้องทำลายป่าอเมซอนเพื่อมาเลี้ยงวัวและยังต้องมาเลี้ยงพะเลี้ยงธัญพืชเช่นถั่วเหลืองนะซึ่งพวกนี้ก็ต้องใช้ที่นะแล้วก็ใช้น้ำเยอะใช้ปุ๋ยตั้งหากเนื้อแต่ละเนื้อแต่ละช้อนที่เรากินนี่มันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนะนอกจากทำลายป่า แล้วยังทําให้เกิดก๊าซที่เป็นที่เขาเรียกว่าก๊าซเรืองกระจกมีเทนเนี่ยอย่างวัวเนี่นะเวลามันตดเนี่ยนะโอ้ยมันก่อใหเกิด๊าซมีเทนจํานวนมากซึ่งเรียกว่าร้ายแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทําให้โลกนี้ร้อนเพราะว่ามีเทนเนี่ยมันเกิดจากการ ของหญ้าหรือธัญพืชที่วัว ก, กินเข้าไปแล้วมันไปสะสมอยู่ในกระเพาะของวัวเพอมันทายออมาหรือมันพอตดออกมามก็สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเยอะมากเลยยังไม่นับการใช้น้ำนะใช้น้ำเพื่อปลูกพืชเพื่อเอามาเป็นอาหารให้กับสัตว์อย่างแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยเรารู้ไหมว่ามันใช้น้ำเท่าไหร่เนี่ย เพราะว่าเขาคำนวณว่ามาใช้น้ำประมาณ1 2 0 0 0 0ลิตรเท่ากับถังน้ำมันเนี่ยน้ำที่ในถังน้ำมันประมาณ60ถังโเยอะมากเลยนะ 1,000 10, 0ลิตรเนี่ย0นลิตรเนี่ยและเดี๋ยวนี้ประชากรโลกก็มีมากขึ้น 8,000 ล้านคนละคนก็ต้องการใช้น้ำน้ำกินน้ำใช้ แม่น้าที่จะมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ก็จะเริ่มจากัดมีน้อยลงก็เลยคือค้นหาวิธีทำเนื้ อ, อยังไงที่มันไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากวิธีหนึ่งก็คือเนื้อที่เพาะเลี้ยงจากเซลล์ในห้องแลบซึ่งตอนนี้ก็กาลังจะมีอนาคตนะเพราะว่ารสชาติมันก็ไม่ได้ต่างจากเนื้อจริงๆเท่าไหร่ ขี้ยมก็เป็นเนื้อเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ต้องผ่านการเลี้ยงเป็นตัวประหยัดหลายอย่างยิ่งตอนนี้ก็มีการผลิตเนื้อหลายแบบนะเนื้อที่มาจากพืชอันนี้ก็มีการนำมาปรุงเป็นอาหารมีแฮมเบอร์เกอร์ที่ทำจากเนื้อเทียมนะรสชาติก็ไม่ต่างจากเนื้อจริงๆเลยคนก็นิยมมากขึ้นราคาก็ไม่แพงมาก อันนี้เนี่ยก็นอกจากเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีเหตุผลทางด้านคุณสุขภาพด้วยเพราะว่าเนื้อที่มาจากพืชเนี่ยมันก็มีไขมันน้อยแต่รสชาติก็ยังอร่อยคนเดี๋ยวนี้ก็กลัวเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเป็นกันเยอะนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะกินอาหารที่มันมีไขมันน้อยแต่ก็ยังติดรสชาต แล้วข้อดีอย่างนี้ก็คือว่ามันไม่ต้องฆ่าสัตว์นะอันนี้ก็เป็นเหตุผลทางด้านจริยธรรมไม่ต้องฆ่าสัตว์แต่ว่ายังติดอร่อยอยู่จริงเรื่องการฆ่าสัตว์ให้น้อยลงเพื่อมาเป็นอาหารคนเรานี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะเดี๋ยวนี้นี่เราฆ่าสัตว์กันเยอะมากเพื่อมาเป็นอาหารแล้วเกินความจำเป็นด้วย เราไม่ได้กินอาหาเพื่อความอยู่รอดไม่ได้กินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วแต่เรากินอาหาเพื่อความมัอร่อยซึ่งบ่อยครั้งก็ทําลายสุขภาพและสุดท้ายก็สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็เดือดร้อนในตอนนี้ก็มีเทศกาลเจเริ่มต้นเมื่อวานเนี่ยเหตุผลหนึ่งของการที่คนหันมากินเจกินบางสารวิจัย ก, ก็เพื่อลดการเบียดเบียนนะสัตว์ร่วมโลกนะแล้วก็ถือว่า ช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นด้วยอันนี้ก็ก็เลยมีคนกินแจกินมังสวิรัตมากขึ้นแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่สามารถกินได้ตลอดชีวิตนะก็อย่างน้อยกินตามเทศกาลหรือกินในบางช่วงบางเวลาก็ยังดีแต่ถ้าหากว่าไม่ได้กินเพียงเพื่อลดการค่าสารเท่านั้นแต่ว่ากินเพื่อลดความยึดติดในรสชาติก็ยิ่งดีนะ พอม่างก็ขนขวายไปหาร้านเจที่อร่อยซึ่งบางทีเนี่ยอร่อยก็จริงนะแต่ว่ามันก็ทำให้สุขภาพแย่นะเพราะว่าใช้น้ำมันหรือว่ามีไขมันเยอะถึงแม้จะเป็นอาหารเจก็ตามนั้นเทศการเจเนี่ยนะนอกจากเป็นเทศการที่เราจะช่วยกันลดการเบียดเบียนสัตว์แล้วนี่ถ้าว่าเราลดการเบียดเบียนตัวเองด้วยนะด้วยการ ฝึกตนให้ลดความยึดติดในรสชาติอาหารนะแล้วก็ฝึกตนไม่ให้ยึดติดนะหรือว่ามีอุปทานแม้กระทั่งในอาหารเจพอถ้ายึดติดในอุปทานยึดติดหรือมีอุปทานแบบนี้แล้วบางทีก็จะมองคนที่เขายังไม่เลิกกินเนื้อยังไม่เลิกกินเนื้อสัตว์นะว่าเนี่ยเป็นพวกใจคอโหดร้ายนะก็ทาให้เกิดอุปทานอีกแบบหนึ่งขึ้นมานะ ซึ่งมันไม่ได้ช่วยเป็นไม่ได้ช่วยลดรักขัดเกลากิเละในใจของเราเพรนั้น้าดีเนี่ยกินอาหารเนี่ยมันก็นอกจากช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลดการเบียดเบียนสัตว์แล้วก็อย่างนีก็ช่วยทำให้จิตใจเราโปร่งเบามากขึ้นมีความยึดติดถือมั่นน้อยลงไม่ว่าจะเป็นรสชาติอาหารหรือความสำคัญตนว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมเนี่ยอันนี้ก็ทาให้เกิดประโยชน์หลายด้าน